สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟเรอร์ซูตอนที่สองร้อยสิบเก้าเรื่องมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่สามครับไม่เห็นอาหารแท้พระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หกข้อยี่สิบสองจนถึงข้อยี่สิบเก้าพระธรรมยอห์นบทที่หกข้อที่ยีิบสองจนถึงข้อยี่สิบเก้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า วันรุ่งขึ้นคนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับเหล่าสาวกเหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลําพังเท่านั้นแต่ก็มีเรือลําอื่นมาจากที่เบเรียสผ่านมาใกล้ตำบนที่เขาได้กินขนมปังหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขอบพระกุณาแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อประชาชนเห็นว่าพระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาจึงลงเรือ ไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอุมข้อ25พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตท่านเขาได้พบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะท่านมาที่นี่เมื่อไหรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าทั้งหลายตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสําคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิม่มอยากขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดํารงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร ซึ่งบุตมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วแลวคนทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าเขาระเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดยึงจะทำงานของพระเจ้าได้เะเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์สรงใช้มาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่อุกท่านที่ได้ยินได้ฟังโภนะของพระเจ้าพี่น้องครับ ผมอยากจะกลับมาถึงความหมายของคำว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นหลายครั้งทีเดียวเราพบว่าอันตรายมากกว่าความมืดบอดฝ่ายวิญญาณครับมืดมัวกับมืดบอดไม่เหมือนกันนะครับมืดมัวในที่นี้เกี่ยวข้องกับคนที่เชื่อพระเยซูแล้วเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนและครับแต่ความมืดบอดนั้นจริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ คนไม่เป็นคริสเตียนนั้นได้เกิดอาการหรือเป็นโรคนี้อยู่นะครับมืดบอดหมายความว่ามองไม่เห็นพระเจ้าครับ <c oughs> เขาปฏิเสธพระเจ้าทำยัง ไ, ไงเขาก็มองไม่เห็นครับคําว่ามืดบอดแต่คําว่ามืดมัวนะครับมืดมัวนั้นมีความหมายว่าคริสเตียนนะครับหลายหลยคนน่าเสียดายเสียใจเพราะเหตุที่ว่าเขานั้นมองเห็นพระเจ้านะครับแบบ ล, งลงังๆเรือนรางมองเห็นแบบไม่ชัดแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทําให้ คริสเตียนก็มนโนพระเจ้าขึ้นมาเองหรือไม่งั้นคริสเตียนก็ทึกทักเอาในสิ่งต่างๆทําให้ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่น่าเสียดายมากเพราะเหตุที่ว่าเขามองพระเจ้าไม่ชัดพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้พูดถึงความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่สามคือไม่เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับในบริบทเรื่องนี้อยู่ในข้อที่ยี่บสองจนถึงข้อที่ยี่สิบสี่นะครับ ก็คือหลังจากที่พระเยซูทรงจำเนินบนทะเลสาบและทรงดึงเปโตรขึ้นมาแล้วบอกกับเปโตร ว, ว่าให้มีความเชื่ออยากลั่วนะครับ <c oughs> ถึงตรงนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าประชาชนที่รอคอยพ ร, พระองค์อยู่ตอนที่กินขนมปังนะครับและปลานะครับคนเหล่านั้นเนี่ยมีประมาณห้าพันคนไม่รวมถึงผู้หญิงและเด็กพี่น้องครับเราจะเห็นว่าประชาชนก็มีความ ศรัทธานะครับในพระเยซูมากแต่พระเยซูได้เห็นลึกๆเข้าไปในชีวิตของพวกเขานะครับพระเยซูก็เลยสอนด้วยความเมตตาและด้วยความรักในขณะที่พวกเขานั้นเกิดความมืดมัวฝ่ายวิ ญ, ญญาณถามว่าเขามืดมัวฝ่ายวิ ญ, ญญาณเรื่องอะไรครับเพราะเหตุที่ว่าในข้อที่ยี่สิบแปดนะครับเขามืดมัวเพราะเนื่องจากว่าเขาทูลถามพระเยซูว่าเขาพระเจ้าทั้งหลายจะต้องทําประการใดจึงจะทํางานของพระเจ้าได้พี่น้องครับ ถ้าถามว่าคุณเป็นใครที่จะทำงานของพระเจ้าได้นะครับคำตอบก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าเลยนะครับถ้ามองดูความสามารถของเราถ้าเราใช้ความสามารถของตัวเองเราทำยังไงครับอย่างไรก็ตามด้วยความพยายามขนาดไหนก็ตามนะครับไปไม่ถึงความเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าถามว่าทาไมครับ ทำไมถึงไปไม่ถึงคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเราทำด้วยกำลังของตัวเราเองเราทำด้วยสติปัญญาของตัวเราเองเราทำด้วยความสามารถของตัวเราเองไปไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่างานของพระองค์นั้นเป็นงานศักดิ์สิทธิ์งานของพระองค์นั้นเป็นงานที่สูงครับคนเหล่านั้นถามพระเยซูว่าทำยังไงทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตอบเขาในข้อดีตรงไปตรงมานะครับว่างานของพระเจ้านั้น คือการที่ท่านวางใจวางใจในพระเยซูที่พระองค์ทรงใช้มาความวางใจเป็นหลักประกรันแรกที่สำคัญที่สุดในการร่วมงานกับพระเจ้าหลายครั้งเราพูดกันว่าเรานั่นเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเราเป็นพาร์ทเนอร์ในงานของพระองค์พี่น้องครับถ้าหากว่าเราทั้งหลายเป็นพาร์ทเนอร์ในงานของพระองค์ ระการแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องวางใจในพระเยซูนะครับการวางใจในพระเยซูนั่นคือการเชื่อพึ่งนะครับการเชื่อพึ่งการถ่อมใจที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายเข้าใจผิดต้องรีบคืนดีกันครับการที่เราท้างหลายมีความแค้นเคืองโกรธแค้นครับต่อกัน เราก็ต้องให้อภัยกันเราต้องสารภาพบาปต่อกันเพื่อที่เราจะนํากลับมาซึ่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะเหตุที่ว่าเราวางใจในพระเยซูเหมือนกันเรารักพระเยซูเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นประการแรกที่สําคัญที่สุดครับในการที่จะบอกว่าเราจะหลุดจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเพราะเหตุที่เรานั้นวางใจในองค์พระเยซูคริสเหมือนกัน เราวางใจในพระเศษสุขคิดเรามีความเชื่อมั่นศรัทธานในพระเศษสุขคิดเราจึงวางใจซึ่งกันและกันเราจึงเชื่อมั่นซึ่งกันและกันพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราสามารถที่จะคอนฟ lict นะครับคอนฟ lict resolution ได้ไหมเพราะว่าเราจะหลายปัญหาความขัดแย้งได้โดยที่เราเชื่อมั่นต่อกันให้เกียรติต่อกันและเราเชื่อมั่นว่าท่านรักพระเจ้าผมรักพระเจ้าเรารักพระเจ้านั่นเลยครับ คือเราจะหลุดออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นพระเจ้าชัดและเราจะเห็นความตั้งใจของเราทั้งหลายแต่ละคนชัดพี่น้องครับผมพูดในบริบทของคนที่รักพระเจ้าเหมือนกันประการที่สองครับถ้าเราเจอกับคนที่ไม่รักพระเจ้าถามว่าทำอย่างไงในขณะที่เราจะก้าวออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะเห็นพระเจ้าชัดก่อนเมื่อเราเห็นพระเจ้าชัดปุ๊บเราจะรู้ว่าเราจะต้องให้ความรัก เราจะต้องให้อภัยเราต้องยกโทษนะครับกับคนที่ยังไม่ได้รักพระเจ้าเราต้องให้โอกาสเขาให้เขานั้นได้สัมผัสและสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อที่ความสัมพันธ์นั้นจะนำมาซึ่งความรักพระเยซูอย่างแท้จริงเมื่อเขาเริ่มรักพระเยซูอย่างแท้จริงเขาก็เป็นพวกเดียวกับเราครับเราก็จะไว้วางใจเขาเช่นเดียวกันพี่น้องครับประการที่สองนะครับก็คือเราจะต้อง สำแดงความรักความรักแท้นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมครับเราต้องสำแดงความรักแท้ความรักแท้ที่แท้จริงก็คือการให้ออกไปการให้โอกาสการให้สิ่งที่ดีในชีวิตการให้คำปรึกษาการให้ของที่ดีแบ่งปันพ ร, พระพรและพระคุณของพระเจ้าออกไปประการสุดท้ายครับก็คือเราจะก้าวออกจากความมืดมัวฝ่ายิ ญ, ญญาณได้ก็คือ เราต้องรู้ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแท้ครับเราจะต้องไม่ขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่ขวนขวายอาหารอาหารแท้นั่นคืออะไรครับนั่นคืออาหารแห่งชีวิตซึ่งบุตรมนุษย์จะให้คือพระเจ้าพระบิดาได้ทรงประทับตา ม, มอบอานาจแก่พระเยซูพี่น้องครับประการที่สามที่สำคัญมากก็คือว่าจะต้องหาพระเยซูครับ เอาพระเยซูเป็นที่ตั้งเอาพระเยซูเป็นหลักเพราะเนื่องจากพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตคนห้าพันคนที่ติดตามพระเยซูนั้นเขามองไม่ออกครับเขามองไม่ทะลุเขาคิดว่าติดตามพระเยซูแล้วเขาได้กินอิ่มติดตามพระเยซูแล้วเห็นสิ่งอัศจรรย์แต่ติดตามพระเยซูในระดับที่สามก็คือว่าเขาพบพระเยซูด้วยตัวเองหรือเปล่าเขารับคําสอนที่ดีใช่ครับเขาเห็นตัวอย่างที่ดีใช่ครับเขาเห็นสิ่งอัศจรรย์ที่ดีใช่ครับแต่ตัวเองเนั้นมีความสัมพันธ์ สนิดแน่นแฟ้นกับพระเยซูลึกซึ้งดื่มดำ่ำกับพระเยซูหรือเปล่านี่คือประการสุดท้ายครับก็คือรับประทานอาหารแห่งชีวิตเข้าไปในตัวรับประทานพระเยซูเข้าไปในตัวครับรับประทานความเป็นพระเจ้าของโรง่งความบริสุทธิ์ของโปรงความศักดิ์สิทธิ์ของโรงและสิ่งดีๆ ง, งามๆทั้งหลายความบริสุทธิ์ของโรงเข้าไปในตัวชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป พี่น้องครับนี่คือสามประการในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะหลุดออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณได้ก็คือด้วยสามประการนี่แหละครับขอพระเจ้าทรงอํานวยพรและทรงช่วยพี่น้องชาวลาทุกท่านอาเมน